นนนทากาเลแล้วความติฉินเนนทาในหมู่ในคณะตลอดถึงการดูถูกเ ย, ย็ดยามในหมู่ในคณะคาว่าอดทนคํานี้ใช้ได้ตลอดการอย่างพวกเรานั่งสมาธิอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นฐานคาว่าขัดติคือความอดทนคานี้ใช้ในที่ทุกสถาน